คนไหนเป็นคนสุรินทร์บ้างโอ้อยู่กับคนสุรินทร์นะมันม่วนหน่อยคนสุรินทะร์นะเมื่อหลวงพ่อรู้จักมาสามสิบปีสามสิบถ้ามาหาโลวงูเพราะว่าคนสุรินทะร์มีลักษณะเด่นเด่นมากๆเลยนะที่ไหนก็ไม่ได้มีเหมือนนะคนสุรินทร์ยุคนนนะ่ยนนนะยุคนี้หลวงพ่อไม่ค่อยรู้จักลนะยุคนนน่ะ เป็นคนซึ่งมีปัญญาในทางธรรมนิ้งสูงคนสุรินทร์อาจจะไม่ร่ำรวยแต่ไม่งงในทางธรรมะแล้วก็ฉลาดแหละคมมากเลยเคยเจอโยมฆราวาสนะขายอิพขินเนตต่อลาสุรินทร์นโอ้แกภาวนาดี ยมสุรินที่ภาวนาดีๆมีท่างหลายคนคนแถวก็ออกมาเป็นพระทาตด้วยซ้ำแต่พวกเราชาวสุรินรุ่นหลังๆและจะทําอย่างคนรุ่นก่อนได้หรือเปล่าหรือรุ่นนี้จะยอมทอแท้ปล่อยชีวิตให้รอดลอยตามกิเลหยุดที่เราเลือกวิธีทางของเราเองธรามะจริงๆไม่ยากหรอกน้ำยมถ่ายตายซักนะเสร็จแล้วจะได้เลิก เวลาเอาเทศนะปิดมือถือซะ ก, ก่อนถ้าไม่ปิดก็ปิดเสียงนะก็อย่าเพิ่งถ่ายรูปธรรมะแท้ๆธรรมะในภาคปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะภาคปริยัติธรรมะภาคปฏิบัติมนเป็นการถ่ายทอดจากจิตไปสู่จิตถ้าจิตของคนฟังไม่มีคุณภาพเมื่อไหร่ธรรมะหายไปหมดเลย หลวงพ่อแต่ก่อนไม่เข้าใจหรอกคราวหนึ่งงานศพหลวงปูดุลหลวงตามหาหามบัวมาเทศเทศในงานศพของหลวงปูใครเคยเห็นหลวงปูดุลบ้างเหานไห้โอ้น่ารักคนมีบุญนะอย่างนี้ต้องถือว่าลูกศิษย์ครูเดียวกันอ่ะหลวงตางขึ้นเทศแล้วก็ถ่ายรูปเพราว่าฉันก็หยุดแล้วเขาเลิกถ่ายนะแล้วท่าก็เทศเทศใหม่อีกเรื่องหนึ่ง เขาถ่ายรูปอีกท่านก็อยู่ดอีกนะเราครั้งที่สามท่านวากเลยเอตะโรแล้วตัวธรรมะท่านหายไปสามครั้แล้วงั้เวลาเราฟังธรรมนะเราฟังด้วยใจที่เปิดกว้างใจที่สงบถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกนั้นะฟังธรรมะไม่ได้เรื่องหรอกคนเที่ยวเที่ยเ ท, เทไม่ได้เรื่องที่มาว่ากันไม่ได้นะธรรมะจริงๆไม่ใช่ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับซับซ้อนแต่ลึกซึ้งระณีด จิตใจเราต้องประณีตพอเราถึงจะรับธรรมะที่เป็นของประณีได้ถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกเรารับธรรมะที่ประณีไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางคนก็วาดภาพไม้เกธรรมะเนี่ยอยู่ใกล้ไกลต้องปฏิบัติกันอีกหลายปีหลายชาติเวลาทําบุญก็ชอบอธิษฐานนะทําบุญชอบประคุณนิพพานนะปัจจโยโหตุ ขอให้ได้เจอได้มรรคผลนิพพานในอนาคตการนานไกลเทิน้นานหลายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรต้องเอานานนานธรรมะไม่ใช่ของที่อยู่ข้างหน้านะธรรมะอยู่กับปัจจุบันเมื่อกี้หลวงพ่อก็แอบฟังอาจารย์กำพลเทศมารอบแนละ้นะดูจัดเขา้าไต่ทอดออกไปให้ดูพูดดีต้องอยู่กับปัจจุบันธรรมะไม่ใช่ของไกลตัวธรรมะอยู่กับตัวเราเอง ธรรมะไม่ได้อยู่ไกลทางในระยะเวลาธรรมะอยู่กับปัจจุบันแทนที่เราจะเที่ยวแสวงหาธรรมะให้ไกลตัวเรามาเรียนรู้ธรรมะในตัวของเราเองถ้าเรารู้จักตัวเองได้เราก็เห็นธรรมะได้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเคยมีเจ้าชายอยู่กลุ่มทังสามสิบคนแก่ไปเที่ยวไปเล่นนะแล้วก็พวกผู้หญิงมาหลอกเอาทรัพย์สมบัติของแกหนีไป ขโมยหนีไปแกเจ้าตามหาไปเจอพระพุทธเจ้าเขา้าพอดีเลยไปถามว่าเจอไหมหนางผู้หญิงคนนี้มาทางนี้ไหมอไรเขโมยเพชรปล่อยมาพระพุทธเจ้าท่านก็ถามบอกว่าจะสแสวงหาผู้หญิงนั้นดีหรือจะสแสวงหาตัวเองดีเนี่ยคนเขามีบารมีมากนะเขาไม่เอาแล้วเจ้าแสวงหาตามไล่จับผู้หญิงเพ่อจะเอาเงินคืนสแสวงหาตัวเองดีกว่า การแสวงหาตัวเองตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละตัวเราก็อยู่ในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยทุกคนนั้นสามารถที่จะรู้ตัวได้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยหลวงพ่ไปเรียนอย่หลวงปู่ดูลนะครั้งแรกเลยที่เจอท่านเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากภาวนาผมอยากปฏิบัติหลวงโกนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงหลวงปู่ดูลนี่เป็นพระที่อัศจรรย์มากเลย เวลาเราไปถามธรรมะนะท่าไม่ตอบง่ายๆนะนนหลับตาเงียบๆไปร่วมชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านบอกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองสอนเท่านี้การปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะคนที่ไม่ปฏิบัติหรอกการปฏิบัติจริงๆเป็นไงกนะ็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนรักษาศีลห้าไว้ของสําคัญนะศีลห้า สมัยโบราณเนี่ยคนสุรินต้องกินสุราใช่ไหมใครไม่กินสุราก็เป็นหมาสุรินไปได้ยินไหมโอ้สมัยหลวงพ่อมาเมืองสุรินก็สอนกันอย่างนี้เราไม่กินสุราเรายอมเป็นหมาสุรินนะเพราะนั้นเพราะว่าเราจะมาเรียนกรรมฐานกรรมฐานจริงๆไม่ยากเนียหลวงปู่ ด, ดูลบอกเลยมันจะยากอะไรเราเรียนรู้ตัวเราเองเราเรียนรู้ของอื่นทั่วโลกเนี่ยเรียนรู้ได้เลยทําไม่เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ไม่ได้มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเอง อย่งโกรธเนี่ยใครโกรธเป็นบ้างใครไม่เคยโกรธมีไหมมีไหมโกรธเป็นไหมรู้จักไหมโกรธเป็นยังไงโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมแต่เวลาโกรธเนี่ยเราไม่ยอมย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธเราไปดูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธโลบเป็นไหโลภเป็นวันหนึ่งโลภเยอะแยะเลยนะจะกินข้าวาไปเข้าแถวก็วโลภอยากได้แถวสั้นๆนเห็นของกิน โลภอยากได้อยากเอานี้ยแหละไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันซื้อไปสักก่อนเราก็ชักไม่พอใจโลภเราก็รู้จักโกรธเราก็รู้จักแต่เราล้าเลยที่จะรู้เราไปใจเราโลภขึ้นมานะรู้ทันเลยใจมันโลภแล้วรู้เข้าไปนะฟุ้งซ่านเป็นไหมฟูงซานฟุงซ่านเนี่ยอาชีพหลักอาชีพหลักของสัตว์โลกเลยนะยกเว้นสัตว์เสรื่องสืบระเทท นั่งเข้าสมาธิแล้ซึมๆเนี่ยนะซึมฟุ้งซ่งานเราก็รู้จักแต่ว่าแทนที่เราจะรู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านเราชอบคิดสะเปะสะปะเรื่องนนเรื่องนี้ไปเรื่อยเลยไม่ยอมรู้ใจตัวเองรักขึ้นมาก็ไปสนใจคนที่เรารักไม่สนใจว่าจิตกำลังรักอยู่โลภขึ้นมา ก็ไปสนใจสิ่งที่เราอยากได้อ่เห็นเขามีมือถือแบบใหม่ๆอยากได้ใจเราจดจอไปอยู่ที่มือถือเนะี่ยเราไม่ยอมย้อนมาดูว่าใจกำลังโลกอยู่โกรธขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่เราไม่พอใจจะเห็นยุงมียุงหนึ่งตัวมาอยู่ในห้องนอนเราดีใจไหมโอ้พรืมวันนี้จะได้บริจากโลหิตไม่พรืมเลยเพราะมันไม่ใช่สภ า, าชาติ เห็นยุงก็เกลียดหน้ามันละเนี่ยโทสะเกิดโทสะเกิดเนี่ยไม่ย้อนมาดูจิตใจของเราว่ากําลังโกรธอยู่กำลังเกลียดยุงตัวนี้มากเลยเนี่ยโทสะก็ดูจ้องแต่ยุงอย่าเพลินะอย่าซั์ให้อยู่เลยแม้มันง่ายนะในการปฏิบัติเนี่ยโลภขึ้นมารู้ว่าโลภโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธหลงไปรู้ว่าหลงไปมีความสุขมีความสุขเป็นไหมรู้จักไหมความสุขเป็นยังไงเออ เวลามีความสุขนะแลนะเราก็เพลินไปเลยแทนที่เราจะเผลอเพลิ น, ลนกับความสุขนะเรารู้ทันว่าจิตกําลังมีความสุขอยู่รู้จับทุกข์ไหมทุกข์เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะแทนที่จะเพลินเพลินไปนโมโหมันไม่ชอบมันหนวะกมุ่นอยู่กับความทุกข์เวลามีเรื่องทุกข์สังเกตไม่ยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกข์มากห้ามมันไม่ให้คิดก็ไม่ได้นะจิตมันเป็นอนัตตานี่พอจิตมันไปคิดเนะีย ถ้าเรารู้ทันเลยสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส ด, สดนนร้อรอนเลยทุกคนรู้ได้อยู่แล้วโลคโกรธหลงสุขทุกข์ดีชั่วทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นต่อไปนี้เราเปลี่ยนใหม่เราไม่ละเลยโรบขึ้นมารู้ทันว่าจิตกําลังโรคโกรธขึ้นมารู้ทันว่าจิตกําลังโกรธฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านใจลอยรู้ว่าใจลอยมีใจเสียใจมีความสุขมีความทุกข์ เคยรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเราเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมาแบบนี้นะสอนให้ดูจิตดูใจก็คือดูความรู้สึกนานาชนิดที่หมุนเวียนอยู่ในจิตเรานี่เองการดูจิตนั้นไม่ใช่ไปจ้องใส่ตัวจิตนะแ้าเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนบอกให้ดูจิตด้วยการดูไม่ให้คลาดสายตาดูห้ามจิตกระดูกระดิกจ้องมันไว้ตลอดเวลาท่านไม่ได้ให้ดูจิตอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นคือการเพ่งจิตจะเป็นสมถกรรมฐาน การดูจิตก็คือจิตมันมีความสุขรู้ทันจิตมันมีความทุกข์ก็รู้ทันนะจิตเป็นกุสลก็รู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็คอยรู้ทันไม่ได้มีอะไรยากเลยรู้แล้วก็ไม่ใช่รู้เพื่อจะเอารู้ก็ไม่ใช่รู้เพื่อจะละรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่มีความสุขไปรู้แล้วมีความสุขทําทำยังไงจะมีความสุขนานๆอย่างนี้รู้รู้แล้วโลภรู้แล้วอยากเอาไว้หรือรู้แล้วอยากละมีความทุกข์ทำยังไงจะหายทุกข์ มีกิเลสทํายังไงกิเลสจะหายไปเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรบางอย่างเพื่อปฏิเสธอะไรบางอย่างแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนั่นแหละมาแล้วก็ไปตัวนี้สําคัญมากนะในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยเทศให้คนสุรินฟังต้องเทศเรื่องอย่างนี้เลยนะต้องขั้นเดินปัญญาขั้นทําสมาธิเนี่ยกิ๊กก๊กก๊อกเกินไปสําหรับคนสุรินแล้วคนสุรินต้องเดินปัญญานะสังเกตไหม มีจุดเด่นหลายเรื่องเลยหลวพอเล่าให้ฟังเวลาเราไปวัดทั่วๆไปนะวัดกรรมฐานเนะี่ยไปถึงปุ๊บเลยผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าแต่คนสุรินไม่เป็นอย่างนั้นนะใครมาถึงก่อนนั่งก่อนเด็กมาก่อนเด็กนั่งหน้าก็มีนะเด็กผู้หญิงนั่งหน้าก็มีนะตามวัดเนี่ยไม่ได้แยกกันเลยเพราะเข้าเอาธรรมะเป็นหลักนะไม่ได้ถือผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกผู้หญิงผู้ชายเป็นของสมมุตินะ มีคนสุรินไายกาศกัาศกัรขนาดนี้นะงั้นเรามาเรียนนะเรียนเจริญปัญญาให้ได้ดูลงไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เป็นกุศลก็รู้โลกโกรธหลงก็รู้อะไรๆเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาดีเอาสุขไม่ใช่รู้เพื่อปฏิเสธความความทุกข์ไม่ได้รู้เพื่อปฏิเสธความชั่วแต่รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วกล่าว อย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันไปเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรานะรู้ทันมันเราก็จะเห็นอีกความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่นานมันก็หายไป that. เวลามันโลภขึ้นมาแทนที่จะไปดูข้างนอกนะเรารู้ทันจิตเม่จิตกำลังโลภอยู่ก็จะเห็นเลยว่าความโลภมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นล้วไม่ต้องไปคิดว่าทายังไงจะหายโกรธ การเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องการดัดแปลงจิตจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบไม่ใช่เรื่องการเดินปัญญาการเดินปัญญานั้นร่างกายเป็นยังไงรั่วเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรั่วเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวร่างกายอย่างร่างกายห า, ายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนร่างกายหายใจออกก็มีชั่วคราวก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนี่เป็นของชั่วคราวหมดเลย ดูไปเพื่อให้เห็นมันทุกอย่างมันชั่วคราวแต่ทั้งร่างกายเราก็ชั่วคราวนะจิตใจเรายิ่งชั่วคราวใหญ่แต่บางคนมันไม่มีคราวนะชั่วตลอดเลยไม่ใช่ชั่วคราวนะชั่วเนืองเนืองงั้นเคยดูไปโลภขึ้นมารู้ทันนะโลภก็อยู่ชั่วคราวก็าหายไปใช่ไหมโกรธขึ้นมาโกรธอยู่ชั่วคราวโกรธก็หายไปฟุ้งซ่านรู้มันเฉยเฉรู้มันไปฟุ้งซ่านก็หายไปปวดหู รู้มันไปก็หายหดหูกรู้ลูกเดียวเลยรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเพื่อวันหนึ่งเราจะสรุปได้จิตมันสรุปของมันเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเราเรียนมากรรมฐานมาแทบเป็นแทบตายแนละ้วมุ่งมาสู่จุดนี้นะเพื่อจะให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปขั้นแรกเราต้องมุ่งมาที่ตรงนี้ก่อนไม่ต้องมุ่งไปที่อื่นเลยเพราะถ้าเราสามารถเข้าใจตัวนี้ได้ เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาได้เราจะเป็นพระโสดาบันภูมิธรรมของพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนถาวรไม่มีสิ่งที่ถาวรไม่มีเลยนี่ท่านจะเห็นตรงนี้ไปนี่พระโสดาบันนะท่านจะเห็นสภาวธรรมที่เกิดแล้วดับจะแจ่มแจ้งในสภาวธรรมที่เกิดแล้วดับ สภาวะธรรมเช่นความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับกุศลเกิดกุศลก็ดับโรบกวดลงเกิดโรกลวดลงก็ดับเราดูราไปจนจิตมันยอมรับไม่ใช่เรายอมรับนะพวกเรายอมรับง่ายแต่จิตนั้นดื้อที่สุดเลยใครรู้สึกบ้างว่าจิตของเราดื้อดื้อมากมากเลยอย่างเช่นตั้งใจว่าจะถือสี่ห้ามันไม่ยอมถือนะเนาะ ตกเย็นมันพยาดกวนโทษพยาดอยู่มัตะกละเองอยากกินเหล้าแล้วก็พยาดกวนเนี่ยเราค่อยดูนะใครรู้ทันใจของตัวเองไปมีแต่อของไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าได้ได้อย่างนี้ก็เข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราอย่าไปวาดภาพนะว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรอย่างหนึง่งที่ไกลแสนไกล โดยเฉพาะพระนิพพานไม่เคยไกลเลยพนิพพานไม่มีใกล้ไม่มีไกลนอยู่ตอนหน้าตาตานี่เองจิตเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นสนิพพานเท่านั้นเองนิพพานมีอยู่แล้วเลยไม่ใช่นิพพานต้องเกิดขึ้นมาใหม่ๆนิพพานเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นว่าจ really. ิตเราไม่ม hmm. ok ีค Ch ุณภาพและจิตเราเต็มไปด้วยความอยากนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่สิ้นอยากจิตของเรามีแต่ความดิ้นรนทุรนทุไรนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งงั้นจิตของเราเองไม่มีคุณภาพเอง งั้นจริงๆแล้วอยากได้มาผล น, นิพพานนะไม่ต้องทําอะไรมากหรอกรักษาสีน่าไว้รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยใจคำพลสอนเรื่องรู้สึกตัวเยอะแยะเลยพอรู้สึกตัวแนละ้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทัางนี้เองพอไหวไหมเทห้คนสุรินฟังไม่ต้องเทศยาวหรอกคนสุรินฉลาด <c oughs> มีคราวนะหลวงพ่อไปอยู่วัดแห่งหนึ่งนกปูอยังอยู่ ไปอยู่วัดสาขาท่านเห็นคุณลุงคนหนึ่งนะกำลังหุงข้าวตอนเย็นนะเราก็เคยได้ยินว่าลุงคนนี้แกตือสี่แปดเอ๊ะแกหุงข้าวทำไรเนอะก็ไปถามลุงลุงกินข้าวเย็นได้หรอแล้วอ้าวเาเห็นหุงข้าวเนี่ยกินยาหมอโรงพยาบาลสุรินสั่งไว้ให้กินยาหลังอาหารนะ อาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอยานะอโอโอหเราฟังอืมลึกซึ้งว่ะไม่ง่อเลยนะคนซูลินนะคมชมัดเลยนะเจออีกทีถามลูกภาวนาไปถึงไหนแล้วว่าจะถึงไหนการภาวนาไม่มีไปมีมาไม่จะไปถึงไหนอะ่ะก <c oughs> ็อยู่กับปัจจุบันสิดูสิคมและขนาดนี้เนาะ แต่ตายไปแล้วคมแค่ไหนก็ตายไม่รอดหรอกเพราะนั้นทุกอย่างไม่เที่ยงนะว่เาเราอย่าไปคิดว่ตาตปรมฐานยากกรรมฐานตันหลังๆนะมีมันกลายเป็นเรื่องของสมาธิไปหมดสมาธิสมาถาิาถาก็ดีมีประโยชน์นะเอาไว้ทําเพื่อให้จิตใจสงบแต่ว่ามีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่จเจริญปัญญาไม่มีโอกาสได้มากผลเลย คนเราถึงความบริสุทธิ์ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะปัญญาก็ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิแข่งเชิสนับสนุนหล่อเลี้ยงขึ้นมาเหมนเบื้องต้นเรารักษาศีลห้าไปก่อนรักษาได้ไหมยากนะสําหรับชาวสุรินรักษาให้ศีลสี่รักษาง่ายนะศีลข้อห้ามอุ้งยากว่ะบอกพระพุทธเจ้าบอกให้เมาเป็นระยะระยะมันช้ ป, ประมา อ, อียูอ ลองรักษาดูนะตั้งใจรักษาศีลศีลสําคัญมากนะถ้าเราภาวนาทำยังไงก็จิตไม่สงบเลยนะถ้าเรารักษาศีลอย่างต่อเนื่องจริงจังสักช่วงหนึ่งเนะเวลาเราเรารึกขึ้นมานึกขึ้นมาว่าโอตลอดเวลาสามเดือนที่ผ่านมานี้นะเรารักษาศีลได้อย่างดีเลยเราไม่มีอะไรน่าตําหนิเลยตัวเองก็ติตัวเองไม่ได้เลยจิตใจมันจะมีความสุข ข, ขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขจะเกิดความสงบขึ้นมา ถ้จิตใจสงบจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละก็มาเจริญปัญญาต่อมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวดูไปเรื่องได้เสียงสมาธิปัญญาขึ้นมาสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งบวชรุ่นเดียวกันก็เป็นพระลราหารันบวชแ้วท่านไม่ได้อะไรเลยเสียหกเสียใจมากนะวันหนึงเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยอันนี้หลวงพ่อต้องทําเสียงดุดุหน่อยหมอเพอความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบงอ่ เขินไปปาดเราก็ตายฟรีสิใช่ไม้มพอท่านเอาพี่โกนปาดคอแนละท่านก็นึกบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วท่านก็เฉลียวใจวนะ่าตลอดเวลาที่บวชมานี้ท่านรักษาศีลเข้มงวดมากเลยน ะ, ะสมาธิปัญญาอะไรไม่มีหรอกแต่รักษาศีลด้วยชีวิตเลยไม่ยอมทําผิดศีลเลยเพียงคิดเท่านี้นะจิต ท, ท่านสงบแล้วมีความสุขท่านมีความสงบขึ้นมาพอมีความสงบขึ้นมาจิต ท, ท่านตั้งมั่นนะท่านดูกายกําลังจะตายแนละ้ว จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ท่านบรรลุพระอราหันต์ในขณะที่ตายได้แต่ว่าพวกเราอย่าไปปาดนะตายก็ตายเปล่าพอปาดแล้วท่นึกถึงศีลดีไหมว่าเพิงกินเหล้ามาหวานอะไรเงี้ยนะไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ยรักษาศีลไว้ก่อนนะรักษาสมาธิจะมีง่ายพอสมาธิมีขึ้นมาแล้วนะอย่าสงบอยู่เฉยเฉยสงบเฉยเฉยเรียกสงบโง่กรรมาฐานแบบกินทับหญ้าอยู่เฉยเฉยไม่ดีหรอก ต้องทำกรรมฐานที่เรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ไม่ได้ยากอะไรหรอกง่ายหลวงพ่อภาวนามาหาหนะลวงปู่นะกุมภาสองห้าสองพันห้ารอยี่สิบห้ากลับหลวงปู่หลวงปู่สอนให้ดูจิตตนเองก็ไปดูผิดอยู่สามเดือนไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่สามเดือนเรประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่สามเดือนนะกลับมารายงานหลวงปู่ หลวงปู่ผมดูจิตได้ละดูได้ทั้งวันเลยไม่หายไปไหนเลยหลวงปู่บอกว่าทําจิตแล้วละ่ะที่ทําอยู่นั้นมัวแต่ไปหลักฮอกรักษาจิตไปแก้อาการของจิตจิตจะฟุ้งร้างไปแก้อาการทำให้มันสงบอยู่ยนั่นแหะยังไม่ได้ดูจิตเลยท่านสอดอย่างนี้ให้ไปดูใหม่หลวงปู่ดูลนี้เป็นครูที่สุดยอดเลยชอบสั่งให้ไปทํานูน่ทนทานี้แต่ไม่บอกวิธี อึดมากเลยนะในการที่จะเรียนกับท่านเนะ่ไม่เหมือนครูรุ่นนี้นะอย่างหลวงพ่อเขาบอกละเอียดจิบเลยจนลูกศิษย์มีปัญญาจแจ่มแจ้งไปเทียงกับเขาทั่วประเทศได้หมดเลยนะแต่ล้างกิเลสไม่ไดนะ้ไม่เอาไหนเลยนะเพื่อจะหลวงปู่หลว ง, ลงปู่ไม่บอกอ ว, ว่าให้ทํำยังไงไปหาท่านครั้งแรกที่เล่าให้ฟังตะกี้ท่านบอกให้ไปอ่านจิตตนเองไม่บอกนะว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปอ่านไม่เคยบอกเลย หลวงพ่อก็กราบท่านท่านถามว่าเข้าใจไหมตอนนั้นกําลังปลื้มนะเข้าใจครับเข้าใจครับปลืม้มท่านพูดด้วยแล้วเพราะว่ามาถามท่านแล้วท่านลับตาไปเกือบชั่วโมงตอนนี้ดีใจแนละ้วท่านพูดด้วยแล้วท่านสอนลนะปลืม้มพอลาท่านนล้วไปขึรถไฟรถไฟออกสิบโมงเช้าที่สถานีสุรินทร์แต่ก่อนมีช้างอยู่สองตัวเดี๋ยวนี้ยังอยู่แบบช้างช้างปลอมนะช้างจริงไปอยู่กรุงเทพ เรขึ้นลดใจอไฟอนะใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตตนเองจิตเป็นยังไงไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จะดูยังไงไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่ที่บอกท่านแบบเข้าใจเข้าใจไม่รู้สักอย่างเลยตกใจขึ้นมาทำางไงดีทาสมาธิเรืเราจาไว้นะถ้าภาวนาจเจริญปัญญาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำสมาธิทำความสงบกให้จิตใจสงบไว้ก่อนถึงปัญญามันถึงจะมี แล้วถ้าตกใจแล้วก็ตายละว่าตายแล้ววาา่ววารับรองแก้ปัญหาไม่ตกพอตกใจขึ้นมาหลวงพ่อมาทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกทำอานาปานสติเล็กมาแต่เด็กๆพอจิตใจสงบแล้วพิจรารณาคิดเอาคิดเอาให้หลวงปู่ให้ดูจิตตนเองจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในตัวเรานี่แหละจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกจิตไม่ไปอยู่ตามท้องนาจิตไม่ไปอยู่ตามต้นไม้ และต่อไปนี้เราจะไม่รู้เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี่แหละเนี่ยสโ ค, คปขอบเขตของการทำารรมฐานนะเรียนรู้รูปนามภายในแต่ในทางปริยัติเนี่ยบอกรูปนามภายนอกก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันแสดงจริงนะแต่ถ้าไปรู้รูปนามภายนอกไม่ยอมรู้รูปนามภายในมันไม่ละหรอกทรกษาปิบุตรท่านเคยสอนสอนให้รู้ทำภายในเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้างดูออกนอกไป เห็นคนอื่นไม่เที่ยงแต่กูเที่ยงอยู่คนเดียวอนี่ะมันจะไปอย่างนั้นไปนเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกเราเรามีแต่ความสุขเรานี่หลายแน่ที่สุดเลยคนอื่นโง่จิตออกนอกหมดเลยมีเราคนเดียวจิตไม่ออกนอกความจริงออกมากกว่าเพื่อนเลยไปดูจิตเขาตั้งประเทศเลยนะงั้นเราย้อนมาค่อยดูเนี่ตอนนั้นนั่งรถไฟน่ะนึกได้เลยดูจิตเนี่ยดูท่านให้ดูจิตนียจิตต้องอยู่ในตัวเราเราเป็นที้ไม่เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายเนี่ย จิตอยู่ตรงไหนในร่างกายพอตีขอบเข้ามาแล้วนะ้จิตต้องอยู่ในร่างกายหาต่อไปอีกจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่าดูลงไปที่ผมนะเป็นผมมันสลายตัวให้ดูได้นะ้สมาีิมันมากพอผมหายไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นะโอ้จิตไม่ได้อยู่ที่ผมจิตอยู่ที่ขนคิ้วหรือเปล่าอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังอยู่ที่เนื้ออยู่ที่เอ็นอยู่ที่กระดูกหรือเปล่าดูลงไปทีละส่วนทีละส่วนนะหาจิตไม่เจอนะ จิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเนี่ยดูไปดูไปเออจิตกับกายเนี่ยคนละอันกันเราตัดกายทิ้งไปเลยหรือจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เรียนปริยัตนะไม่รู้เรื่องปริยัติเลยต้องคำหาเอาจิตคือความรู้สึกสุขหรือเปล่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากเลยดูไปเรื่อยแล้วความสุขดับให้ดูนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมา เอาล้วว่าหรือจิตคือความทุกข์นั่งนั่งนั่นานนให้มันเมื่อยนะเมื่อยแล้วไม่ยอมกระดุกระดิกนะนั่งไปอยู่ยนั่นนะ่ะนั่งจนจมันหายเมื่อยเออความทุกข์หายไปแล้วไม่เห็นมีจิตเลยจิตไม่ใช่ความสุขจิตไม่ใช่ความทุกข์หรอกหรือว่าจิตเป็นความคิดที่อย่างนี้นะหลวงพ่อก็นึกบทสวดมนต์ขึ้นมาบทหนึงพุทโธสุดสุดโธกรุณามหันมวโรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณามห้งวงมห ah ันหลกทิ้งบทนี้ย พอพุทโธสูตรสุดโธกรุณามหั่นลโวจิตคิดคิดบอดส่วนมนติสติอรืกรู้ว่าจิตคิดกอดส่วนมรรติจิตรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยนะในปริยัติไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่นักปฏิบัติเห็นมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่ถามอาจารย์กัพลดูก็ได้ถ้าอาจารย์กัมพลบอกไม่ใช่สแสดงว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเตียนตัวปลอมอ๋อไม่ใช่หลวงพ่อเตียนตัวจริง ถ้าเรารู้ทันวนะ่าจิตหนีไปคิดนะจิตรู้จะเกิดโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยพอหลวงพ่อคิดนะพุโทโธสูตรุโธปรินามะท่านบอกพอรู้แนละ้วจิตคิดเท่านะั้นตัรู้เกิดขึ้นมันดิดออกมาเลยพอตัวรู้เกิดขึ้นมานะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ที่กายก็มีอยู่ที่จิตก็นีแต่ว่าไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยขันมันเริ่มแยกตัวออกนะ กุศลกุศลทั้งหลายตัวสังขารขันกุศลกุศลทั้งหลายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตไม่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเห็นเลยขันมันแยกตัวออกไปนะรูปส่วนรูปเบตนาส่วนเบตนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตเห็นมันแยกออกเกจยกกันพอมันแยกออกเกจยวกันแล้วเนะี่ยก็ยังไม่เป็นอีกอยังไม่เป็นอีกขันแยกได้แล้วนะไม่รู้วิจิตที่จเจริญปัญญาต่อ ถ้ารู้ปริยัติมาบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องเรียนไตรลักษณ์ของสภาวธรรมรูปเกิดขึ้นก็ต้องไปดูสภาวะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนะต้องไปเห็นสภาวะความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาของสังขารเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตตอนนั้นไม่รู้รู้แต่ว่าหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพอจิตมันมันแยกขันธ์อื่นออกไปแล้วนะเหลือจิตตัวเดียวขึ้นมาเนี่ยจิตมันเด่นดวงขึ้นมานะเลยจ้องมาไว้ไปรักษาไว้ บางทีมันก็รักษาได้บางทีมันไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์อารมณ์มันไหวขึ้นมากลางหน้าอกนะอารมณ์มันฝุดขึ้นมากลางหน้าอกจิตมันไหลเข้าไปรวมด้วยพอรู้ทันนะมันดีดตัวแยกออกมาในปริยัติเขาจะพูดถึงหาทยารูปหาทยาวัตถุเป็นที่เกิดของนามธรรมาำจํานวนมากในทางตำรา บ, บางทีไปบอกว่าหาทยรูปอยู่ในหัวใจเป็นน้ําเรียกหัวใจจริงไม่ได้อยู่ที่หัวใจไม่มีใครหลอกที่กิเลสเกิด ข, ขึ้นกลางหัวใจ ไม่มีอ่ะไปดูให้ดีเลยมันพุดขึ้นมาจากกลางกลางคำว่าหาทะยะก็กลางไม่ใช่แปลหัวใจสังเกตุมันพุดขึ้นกลาง อ, อกเรานี่เลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วการที่จิตเข้าไปจับเนี่ยเราหาทางแก้ไขให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันพอตั้งมั่นได้นะฝึกอยู่สามเดือนไปบอกหลวงปู่แล้วมาหาหลวงปู่หลวงปู่ผมดูจิตไปแล้วเนี่ยรักษาไว้ได้ท่านบอกมันผิดอะไเนี้ยผิดที่ท่านว่ามันทําผิด ท่านบอกให้ไปดูมันไม่ใช่ให้ไปแก้ไขอาการของจิตไปรักษาจิตอยู่เฉยๆนั้นอย่าไปรักษาจิตอยู่เฉยๆนะบางคนหลวงปูสอนให้รักษาจิตเหมือนกันดังนั้นสําหรับพวกที่ไม่มีสมถะพวกที่ฟุ้งซ่านรักษาจิตให้สงบต่อนันั้นเป็นเรื่องขั้นสองสมถะแต่ขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยนะแยกคาดแยกขันออกมาจิตเป็นคนดูนะร่างกายเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นของถูกดู จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูสังขารคือความกุสนปุสนทั้งหลายโรคหลดหลงทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูหัดแยกไปเรื่อยหัดแยกไปแยกไปแยกเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนธนานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารคือความปรุงบีปรุงชั่วนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีความทุกข์ดั้งจิตเองก็ไม่เที่ยง จิตเองก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุกก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ถ้าตัวจิตเองยังตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณเช่นเดียวกับขันอย่างอื่นนั่นแหละเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะั้นในที่สุดปัญญามันปิ้งขึ้นมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรูปธรรม ท, ทั้งหลายมีขึ้นมารูปธรรม ท, ทั้งหลายดับแต่การจะเห็นรูปแท้ๆยากนะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกยังไม่ใช่รูปตัวจริงหรอกเป็นรูปโดยสมมุติด้วยปัญญาโดยโมหัน ตัวรูปแท้ๆของมันคือตัวธาตุธนะาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมตัวนี้ถ้าสมาธิไม่มากพอนะจะไม่เห็นงั้นในทางกำลังเ้าสอนวนะ่าคนที่จะเดินทางกายได้ดีนะี่ยต้องทำสมาธิกายานุปัสสนานี่เหมาะกับสมถะหยานิกถ้าไม่ทรงฌานจริงๆแนละ้วมาดูกายนะจะแยกแยกผมออกไม่เห็นธาตุเห็นแต่ผมไม่เห็นธาตุเห็นแต่คนเล็บฝ้ น, นังเนื้อเอก็กระดูกไม่เห็นธาตุดอย่าง แตจิตใจนะดูง่ายโรคปวดหลงอะไรนี่มันเป็นสภาวะล้วนๆอยู่แล้วนะงั้นพวกเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปคนไหนถนัดดูกายก็ทําสมาธิการสมาธิแล้วระดูกกายมันทํางานนะแยกขันไปนเรื่อยแยกแยกขันออกมาเป็นกายกับจิตนะจากนั้นแยกกายออกไปอีกมันเป็นธาตุสียากยากถ้าสมาธิไม่พอไม่เห็นนะแต่นํา ม, มาทําเนี่ยแยกง่ายก็แยกได้สี่เหมือนกันร่างกายแยกได้สี่คือดินน้ําไฟลมนะ จิตใจก็แยกได้สี่เวทนาสัญญาแังขามวิญญาณแยกได้สี่ขันมีข้าวละสี่แยกไปเรื่อยแยกไปเรื่อยสุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างไม่มีเราทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับทุกอย่างไม่มีตัวเราดูซ้ําๆไปอย่างนี้ใช้เวลาไม่มากหรอการจะเข้าใจวันนี้แค่แค่นี้ก็พอและมั้งนะนะฟังมาแต่เช้าคนซุรินไม่งูดหรอกฟังนิดหน่อยก็รู้เรื่องแนละ้ว แต่ชี้เกียร์ไม่ค่อยทำแล้วรุ่นหลังๆนะไม่เหมือนรุ่นก่อนนะโอ้ยคนสุรินภาวนานะน่าดูมากจริงๆใครเคยรู้จักหลวงพ่อคืนมัน้ยหลวงพ่อคืนว่ น, น, น่าเรื่อนจําเคยไปวัดท่านสนอะนนาะสักห้าสิบคนไนวะ้ในสาานะโอ้ท่านสอนชูวชวชๆชชคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้นะไอ อ, อ, อ, ออิตโลแต่สอนเกม ครูบาจัรท์เก่งๆมีหลายวงนะแต่ต อ, น, อนนี้ร้อยร่อไปเรื่อยๆจิตใจขณะนี้มีความสุขหรือเปล่าดูกมกไหมจิตใจมีความสุขไหมมีความสุขแต่เพลินรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อบอกวามีความสุขนะแต่เพลินริอเพลินนะ ให้รู้ทันมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขหัดของจริงเลยนะมีความสุข Actually, รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์มีกุศลรู้ว่าเป็นกุศลมีอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลรู้เพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่าสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เพื่อจะเอากุศลไม่ใช่เพื่อจะเอาสุ ข, ああสขไม่ใช่เพื่อปฏิเสธความชั่วไม่ใช <th> ่เพื่อปฏิเสธทุก แต่เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะเงรานเรารู้สึกตัวนะเราดูกายดูใจก็ทํางานไปเรื่อยนะไม่ใช่เราจะไปเอาข้างหนึ่งจะเกลดข้างหนึ่งนะดูไปเรืยใช้เวลาไม่นานหรอกใครๆ ร, รู้จักหลวงพ่อกิมบ้างหลวงพ่อจิมรู้ จ, จักไหมโอยต้องรุ่นดึกดบาบันพ์้นะรู้จักนะหลวงพ่อไปถามหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นพระที่ริดเยอะนะมีความรู้เยอะมากเลยวันหนึ่งวิจารณ์บอกเลย เรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอะไรนีพูดออกมาได้ไงเก่งจริงๆเลยไปถามหลวงพ่อกิมหรอกหลวงพ่อครับถ้าคนที่เริ่มต้นภาวน า, นานเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้มากผลเนี่ยโอ้ไม่นานหรอกเถอครับเถอะครับกี่ปีครับไม่เกินเจ็ดชาติโอ้ไม่นานเนาะเจ็ดชาติไม่นานเราเจชาติแคบบเดียวแล้วเราเวียนไล่ใจเกิด น, นานแต่ว่าชาตินี้ มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วอย่าทิ้งเปล่าชาติไหนไม่ได้ฟังธรรมมันก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ชาตินี้ได้ฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัติอา ศ, า ศ, า ศ, า ศ, าศาัศีลห้ารู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจทำงานจนเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ใช่นี้แหละส่วนธรรมะที่สูงกว่านี้ก็ค่อยมาเรียนทีหลังทำยังไงจะปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายใ น, ในใจได้ เอาขั้นต้นแค่เห็นว่ามันไม่ใช่เราแค่นี้ก่อนเอาให้ได้โสดาก่อนเราถัดจากนั้นอีกขั้นเดินปัญญาชั้นสูงขึ้นไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆในท่านในขั น, นะถ้ายัางสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งไว้ในท่านในขันนี่ว่าเป็นตัวสุขเป็นตัวดีตัววิเศษอยู่ไม่เห็นทุกข์แจ่มแจ้งไม่มีทางปล่อยวางจริงอย่างพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราเนี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างรู้สึกไหมจ้างก็ไม่ปล่อยแต่ถ้าเมื่อไรปัญญาพอนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะปล่อย ไม่จ้างก็ปล่อยนะพวกเราเห็นเปลจิตของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์รู้สึกไหมถ้าปัญญาพอนะเห็นแตทุกข์ล้วนนมีแต่ทุกข์ ม, กมากกับทุกน้อยถ้าเห็นทุกข์นะไม่จ้างมันก็ปล่อยนั้นคําว่าปล่อยวางปล่อยวา ง, วางพูดง่ายนะแต่ทํายากถ้าไม่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งในท่านในขันนี้ไม่ปล่อยปล่อยแต่ปากจริงๆไม่ปล่อยกิเลสก็ท่วมหัวอยู่อย่างนี้นะ พอไหวไหมอย่างนี้เตศนวันนี้ก็เต้นง่ายแล้วนะเต้นง่ายง่ายแล้วเอาเท่านี้ก็แล้กันนะเย็นเกินไปเดี๋ยวจะคิดถึงบ้านได้เวลาจิตเล่าแล้วครับเพื่อความเป็นสิริมงคล น, นะครับขอกล่าวในมณฑปุญญาเจ้าได้โปรดเมตตานําเจริญสตินะครับเจริญสติจะไม่ต้องนํา สติในเรื่องเฉพาะตัวนะใครรู้ทันไหมันไม่ใช่ยากอะไรก็อย่างบอกแล้วนะว่ารู้ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้แค่นั้นเองรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆคำว่าสติสติสาหรับนักปฏิบัตินะต้องเป็นระดับสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาต้องสติรู้รูปสติรู้นามสติรู้กายรู้ใจของตัวเองทีนี้เป็นสติชั้นดี นะสติอย่างโรคๆเดินไม่ตกถนนนะเดินไม่ตกท่อก็มีสติเหมือนกันนะเดินไม่ไปเหยียบหมาเข้าก็มีสติเหมือนกันแต่สติอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะเราพยายามมามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใ จ, กใจวิธีฝึกนะมันก็มีวิธีเหมือนกันเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมาฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยคนไหนถนัดทําจังหวะอย่างโลวงเตียนเมื่อกี้อาจารย์เขสอนแล้วใช่ไหมขยับไปนะ ขยับไปแล้วก็รู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อให้จิตสงบนะหรือไม่ใช่ขยับเพื่อจะเอาจิตไปไว้ที่มือแต่ขยับไปเพื่อจะรู้สึกตัวยังขยับปุ๊บเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดขยับแล้วรู้ทันจิตที่หลงไปคิดหรือเราจะหัดพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปพระจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะมันลืมพุทโธจิตหนีไปแล้วรีบรู้ไวๆหัดรู้ลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไป หาใจออกหายใจเข้าเรืยไปนะจิตนี้ไปคิดรู้ทันอีกนะหรือจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันอีกตอนที่จิตมันหลงลืมลมหายใจ ล, ลืมใจเขาด้วยนั่นแหละขาดสติแล้วนะนะงั้นถ้าเราอยากมีสติแลเบื้องตอน้นต้องช่วยมันใครถนัดอารมณ์กรรมฐ า, านอะไรเอาสักอย่างหนึ่งจนะถนัดพุดโทโธก็ได้ถนัดลมหายใจก็ได้หรือจะพุโทโธรวมกับลมหายใจก็ยังพอไหว ขนาดเดินจงกรมก็เดินไปด้วยความรู้สึกตัวเดินไปจิตหนีไปอยู่ที่เท้าแล้วก็รู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่เรื่องอื่นนี้ที่คิดแล้วรู้ทนันงั้นทำกรรมฐานขึ้นสักอนหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปเวลาเรารู้ทันจิตที่หลงไปบ่อยๆนะต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ใช่ได้แต่สติตจะได้สมาธิขึ้นมาด้วยจะได้ ท, ทั้งสติได้ทั้งสมาธิจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู p, ้ผู้ตื่นขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานแล้วถึงจะมาเดินปัญญาต่อ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ไปด้วยจิตที่เป็นกลางล้วฝึกอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ฝึกมาอย่างนี้แหละเมื่อกอนฝึกตัวเองเล่าให้หมอประกรณ์ฟังหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะฝึกหมอก็อถามว่าเนีย่ยตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมานะใจมันมัวมัวอะไรเงี้ยมีโมหะฝึกยังไงหลวงพ่อ บอกว่าหลวง้่อฝึกด้วยการกินน้ําเยอะๆก่อนนอนกินน้ําเยอะๆไม่นานก็ปวดฉี่ใช่ไหมก็ตื่นพอตื่นแล้วถ้ายังงัวงเงียอยู่นะไม่ยอมนะต้องพอวนาจนกว่าจะหายงัวงเงียถึงจะนอนต่อเนะี่ยฝึกตัวเองขนาดนี้ไงงั้นต่อไปฝึกเรืยพอตื่นปุ๊บอย่าไปนอนบีบขี้เกียจอยู่ตื่นแล้วรีบลุกขึ้นมาตื่นแล้วรีบลุกขึ้นมาเลยเนะีนะ่ยฝึกตัวเองมากมากมากเข้าเลสติมันไหวนะต่อไป พอรู้สึกตัวปุ๊บในจิตสว่างจ้าเลยไม่มีมัวนั้งอยู่ที่เราฝึกเอาสติก็ฝึกได้แต่สั่งให้เกิดไม่ได้ไม่เป็นอนัตตาแต่ฝึกได้พยายามฝึกเข้าขาสติแตัวเดียวนะไม่มีธรรมะเหลือแล้วสติมีทำ ม, มีสติตัวเดียวนะพอจะหาศีลสมาธิปัญญาอะไรขึ้นมาได้แล้วพยายามรู้สึกนะเอาเท่านี้พอไหม